ไปพึงพากันตั้งใจตั้งสติสัมรวมใจอย่าไปทำงานอย่างอื่นนั่งนิ่งนิ่งสัมรวมใจไว้ภายในนี่เรามารวมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็พเพื่อที่จะมาฝึก ฝึกกายฝึ ก, กจิตให้สงบให้ระ ง, งับร่างกายอันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตของคนเรานี่มันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อน ที่จิตไม่รู้เท่าก็เพราะจิตไปตั้งมัน่นมีแต่ปล่อยให้ตัณหามันจูงไปคิดส่งไปภายนอกนู่นอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดในโลกอันนี้เลยไม่ได้น้อมจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริง เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้ก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้เท่าเอตที่ไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ได้พิจารณาบ่อยๆขาดการพิจารณาคนส่วนหลายคนว่าการภาวนา เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ครองเรือนพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เมินเฉยไม่สนใจทางภาวนาศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสะจิตเข้ามาดู ตัวของตัวเองเนื่องจากว่ามันหลงมันไหลไปพล ร, รงดังที่ในบทพระธรรมคุณนะว่าโอปนยญิโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาในตนนี่หมายความว่าน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาสู่จิตใจของตน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ว่าอายังโผเมกายโยนี่กายของเรานี่แหลอุดทางปาัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามักาเมืองต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอออุโรนนปการัสอาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บดันตาคือพันตะโจคือหนังเหล่านี้เป็นต้นทรงสอนให้พิจารณาอาการสาสบสองนี่ ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งว่าอาการสามสิบสองนี่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นของไม่สวยไม่งาม เ, ออเต็มไปด้วยบุคพโรหิตน้ำเลือดน้ำเลืองอะไรต่ออะไรนี่ความจริงของอัตภาพร่างกายทุกชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ แล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่อย่งยืนด้วยอาการต่างๆเหล่านีนะ้มันมีอยู่ในร่างกายนี้หมดเลยแต่ดวงจิตของคนแต่ละคนเกิดมาอาศัยร่างกายอันนี้อยู่แล้วไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรเลยเพราะฉะนั้นถึงได้หลงได้เมาทําความชั่ว ใส่ตัวเองไปโดยสำคัญว่าไอ้ทำความชั่วนั้นเข้าใจว่าความชั่วนั้นจะไม่ตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในชาตินี้ชาติหน้านี่แหละมันเข้าใจไอ่เขไปอย่างนี้ก่อนเรื่องมาแต่ไม่ได้มาพิจรารณาร่างกายนี้เองนะ ถ้าพิจารณาร่างกายแล้วก็มาพิจารณาใจอีกถ้าไม่ได้พิจารณาร่างกายมันหวงแหนร่างกายนี่แล้วมันก็คิดอยากจะได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้อย่างมากมายทีเดียว เ, ออเมื่อบุญของตอนน้อยตอนสแสวงหาปัจจัยทั้งหลายก็ได้แต่เพียงเล็กน้อย วันนี้ความอยากมันท่วมทนหัวใจนั่นแหละมันถึงเป็นเหตุให้คนเราทำบาปไปเที่ยวฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้ล้มให้ตายหรือไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน ไปประพฤติผิดมิตรชาจรากรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนั่นนะหมายความว่าไปเล่นหญิงอื่นจากเมียของตัวเองถ้าผู้ชายก็ดี้ถ้าผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงก็ไปซ่องเสพกับชายอื่นทิ้งทอดทิ้งสามีของตนไว้เบื้องหลัง อย่างนี้นะพูดกันอย่างโจงแ้งก็เพราะความโลภนี่เองแหละความโลภในกามในความรักในความใคร่ที่มันเป็นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ได้พิดาเห็นร่างกายอย่างว่านี่นะมันสำคัญว่าร่างกายนีสวยงามแข็งแรงก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจไปนึกว่าร่างกายนี่มันจะไม่สารสุดสุดซ้มไม่แตกไม่ดับง่าย มันหลงเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันจึงได้เกิดโลภตัณหาขึ้นมากมายจนไปทำผิดศีลผิดธรรมสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองยมีซ้ำก็มีวาจา ก, ก็ไม่รู้จักสำรวมวาจา อ, อยากพูดอะไรก็พูดไป อันวาจานี่มันก็มาจากใจใจเป็นผู้บงการเมื่อใจมีความโลภขึ้นมาแล้วนี่มันก็กล่าววาจาไปในทํานองที่หลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าหากว่ใจมันโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจ พูดกระทบกระทั่งผู้อื่นออขาดเมตตากรุณาทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนกบแสดงออกไปพูดออกไปเนี่ยมันก็มาจากใจที่มันโกรธนั่นแหละมันผูกโกรธไว้ในใจออบุคคลผู้มีความโลภแล้วมันก็ย่างว่าเห็นเขาส่องเสพสุราเมรัย โฟนลำขับร้องสนุกสนานก็นึกว่ามันจะดเีเกิดอยากขึ้นมากับเขาแล้วก็ไปซ่องเสฟก็เขาไปทีแรกมันก็เอานิดนิดหน่อยหน่อยไปก็มเมาหลายครั้งหลายหนเข้าไปเอานิดหน่อยไม่พอต้องเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนี่ในสูงก็ติดงอมแงมไปเลยไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เฮ อ, อ ตกลงก็เลยเป็นาธาตุของความมึนเมาเหล่านั้นเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลืออันหมูนี้มันล้วนตั้งแต่มันเกิดจากความไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั้นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าผู้ใดเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลย อย่างนี้แล้วความอยากมันก็ไม่ท่วมท้นจิตใจแบบนี้มันก็อยากอยู่ในวงจำกัดอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแบบนี้นะความอยากอันใดมันจะให้ร่วงศีลร่วงธรรมแล้วไม่เอาสละมันออกไปอย่างผู้ที่จะมาฝึกตนเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ต้องสละความอยาก อันเป็นเหตุที่จะให้ได้ล่วงสินล่วงธรรมที่ตนสมทานอยูเออ่เมื่อสละความอยากอันนั้นได้มันก็ถึงจะได้ถึงจะบวชเรียนเขียนอ่านได้จึงจะรักษาสินที่ตนสมทานมานั้นให้บริสุทธิ์ได้นี่พูดถึงการพิจารณาร่างกายนี้มันมีคุณมีประโยชน์ ทำให้คนเรานั้นมีศีลมีธรรมอยู่ในใจได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงไปเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคารือหัดก็ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันหมดนั่นแหละคำว่าประพฤติธรรมก็หมายความว่า มาพยายาม เ, เพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ง <Okay. S 2> ถ้าเห็นตามสัญญาเฉยๆมันไม่เบื่อไม่นายมันไม่คิดจะปรงจะวางพอตามสัญญาความจำหมายนี่ มันแทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันแทนที่ว่าจะเพ่งพีรนาให้เป็นอสุภะกรรมฐานเอาเพอเพ่งไปแล้วมันเป็นสุภะไปซะแล้วันนี้มันเป็นของสวยของงามไปสัญญาอันนั้นน่ะนั่นมันไม่ใช่เป็นของโศกปลกโศโครกอะไรนะไม่แล้ว มันกลายเป็นของสวยของงามขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเพ่งพิจารณาโดยสัญญา เ, าเฉยๆไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาถ้าเพ่งจี่ณาด้วยปัญญามันต้องทาใจนี้ให้สงบเป็นหนึ่งลงไปก่อนทำอย่างไรใจมันจะเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เอาเลยเพ่งเข้าไป หายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้ความรู้อันนั้นแหะคือจิตหรือใจนี่ไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นนะคำว่าดวงจิตดวงใจนี่หมายเอาความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละก็ <c oughs> แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าดวงจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะ ไม่มีสีไม่มีสีสันวัต น, นะไม่มีสันฐานสูงต่ำดำขาวอะไรไม่มีเลยนั่นเองลองสันนิฐานดูก็มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั่นดังนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าหมดความรู้สึกอันนี้แล้ว เราก็สมมุติกันว่าคนนั้นตายนี่ก็หมายความว่าดวงขีดนี่มันถอนออกจา ก, กร่างอันนี้ไปแล้วมันจึงหมดความรู้สึกไปนี่ถ้าหากว่าดวงขีดยังอาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้นี่มันก็มันก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้แหละแต่แล้วที่นี่คนเรานะี่ย ไม่เอาสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้เหตุที่มันจะหลงจะเมาไปนั่นน่ะมันจะเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไป นี่เลยว่ามันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็เพราะเหตุว่าการที่ไม่ได้มันเพ่งพิจารณาร่างกายกรูปธรรมอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั่นแหละมันจึงได้เกิดความเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงไปดวงจิตอันนี้ท่านเรียกว่า นามธรรมก็เรียก น, นั่นแหละหมายความว่าเป็นธรรมที่มีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรที่นี้เมื่อจำแนกเป็นอาการออกไปแล้วมันก็มียูซีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่อาการของจิตนะมียูซีอย่างนี้ จิตนี้ถ้ า, าว่าไม่มีอาการทั้งสีน่นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องชี้บอกว่าจิตคืออะไรเออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างกายอันนี้แล้วมันถึงได้มีอาการสี่อย่างนี้เกิดขึ้นนีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ถือว่าจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันนี้แล้วมันก็สัมผัสกันแบบนี้นะ อ, อมันถูกต้องกันกายมันก็สัมผัสกับดวงจิตนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นออถ้าว่าร้อนมาอย่างนี้นะความร้อนอันนั้นมันก็มันซึมซาบเข้าไปถึงดวงจิตนู่น อ, อดวงจิตก็รู้สึกว่าร้อน รู้สึกว่าร่างกายนี่ร้อนอย่างนี้แหละกา ย, ยวิญญาณวิญญาณทางกายทีนี้วิญญาณทางกายนี่มันก็ออกมาจากขิตมันแผ่ซ่านออกมาจากดวงกีดนั้นมาซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายอันนี้นะความรู้สึกอันนั้นนะเพราะนั้นเมื่อความร้อนมาสัมผัสเข้าอย่างนี้มันก็รู้สึกร้อนเออเป็นอย่างนั้น ถ้าหนาวมาสัมผัสก็รู้สึกว่าหนาวถ้าอะไรมาถูกต้องกายนี้อย่างรุนแรงมันก็รู้สึกเจ็บปวด อ, อ, อันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บรรยติประเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็เกิดจากสัมผัสนี้ทั้งนั้นแหละ ให้พากันสังเกตดูภาวนาและต้องเพ่งดูนามธรรมอันนี้มันมันเกิดจากจิตกับกายสัมผัสถูกต้องกันนี่ผู้ดใดเพ่งดูจึงจะรู้ได้ถ้าไม่เพ่งดูรู้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปร่างอะไระที่จำเป็นจะต้องรู้ทางใจนั่นนั่นแหละ เอาใจนั้นรู้อีกทีหนึ่งไปอย่างนั้นเรื่องมานะเมื่อเราเพ่งดูมากๆเข้าไปแล้วจะมองเห็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยศูนโยว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขานี่นะ อันนี้นที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงไว้ในพระธรรมคุณว่าโอปณะณีโกให้น้อมสติเข้ามาหากายหาใจนี้ควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูรูปประธรรมนามธรรมมนีให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะเมื่อมันเห็นว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้เออ มันก็ลดละตัณหาความทะเยอะทะยานอยากต่างๆลงได้เยอะแยะเลยทีเดียววันนี้ออนั่นแหละตัณหาอยากโลกมันก็น้อยลงตัณหาอยากโกรธมันก็น้อยลงตัณหาอยากหลงอยากเมาไปตามกระแสของโลกมันก็น้อยลงเป็นอย่างนั้นอันนี้ในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็หมายความว่า เรามาพยายามควบคุมจิตให้ตั้งมั่นแล้วเพ่งพิจารณาดูรูปทรรมนามธรรมดังชี้แจงให้ฟังมาโดยสังเขปนี่แหละให้รู้ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งด้วยตนเองอมเมื่อรู้ว่าเป็นของว่างไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ปล่อยก็วางเลยเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราแลวมันจะไปถือมั่นด้วยทำไมแบบนี้มันก็ไม่ถือมัน่นนะ มันก็ปรงก็วางลงมันปรงมันวางลงได้เท่าใดจิตใจก็เบาปลอดปรงไปได้เท่านั้นนี่ไม่นักไม่น่วงไม่อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ถือมั่นอะไรอะไรเลยว่าเป็นของตัวเอง เพราะว่าปัญญามันเห็นแจ้งแล้วถึงจะถือมันอ่นอย่างไรจะหวงแหนอย่างไรมันก็ไม่ไม่ได้สิ่งที่ตนหวงแหนนั้นเป็นสมบัติของตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันกายก็ไปพอกายจิตก็ไปพอจิตไม่ไม่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียว แต่ว่าจิตนั่นแหละ เ, เมื่อมันละอุปทานไม่ไม่หมดอย่างนี้มันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็สิ่งนั้นเป็นตัวกรรมมาเนี้นะนำจิตนั่นไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกส่วนร่างกายมันก็ถูกไฟเผาเป็นเท่าเป็นฐานหรื อ, อกระดูกกองอยู่ในโลกอันนี้อันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี่ มันยังยากแต่ดวงจิตนี่แหละคนผู้ที่จับต้นเหตุไม่ได้แล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่ า, เ, าเมื่อจิตละออกจากร่างอันนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนเนาจะเป็นอะไรหนอะเกิดสงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเรื่องมันน่ะยี่นี้ถ้าหากว่า มาจับเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้ก็จะคลายความสงสัยเสียได้ mm hmm. ท่านผู้ละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้หมดแล้วท่านก็ไม่เล่ล่อนไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่อีกต่อไป mm hmm. ผู้ใดยังละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ยังไม่ได้ mm hmm. เหตุปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นตัวกรรมนําให้ไปเกิดอีกอ mm hmm. ผู้ยึดเอาเหตุปัจจัยฝ่ายชั่วฝ่ายบาปอากุศลไว้อย่างนี้นะอบาปอากุศลนั่นนะมันก็เป็นเครื่องนําทางดวงจิตนี่นาไปสู่ทุกไปเกิดในสถานที่ทุกยากลําบากเช่นนี้แหละถ้าจิตนี่มันยึดปัจเทศปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายดีไว้ ทิ้งฝ่ายชั่วไปเสียอย่างนี้นะ เ, เหตุปัจจัยคือบุญกุศลอันนี้มันก็เป็นญาณอันวิศเศษลองรับดวงกิจนี้ไปเกิดในที่สุขสบายนี่บุคคลผู้ยังละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตไม่ได้หมดผู้มีปัญญาก็ละเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ทุกข์นั้นเสียออแล้วก็ ยึดมั่นในเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสุขนั้นไว้ให้ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้นั่งอยู่ในเรือที่กำลังข้ามไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อเรือมันยังไม่ถึงฝั่งโน้นก็ต้องยึดแขมเรือไว้ให้มัน่นระมัดระวังอย่าให้เรือมันโครงเคงมันจะจมลงออก็ต้องระมัดระวัง ให้เรือมันวิ่งไปนิ่งนิ่งไปออในที่สุดมันก็ถึงฝั่งโน้นได้ออนะก็เปรียบได้กับกายวาจาใจของคนเรานี่แหละเมื่อพยายามระมัดระวังสำรวมไม่สร้างบาปอาุสมอาุศนให้ไม่สร้างบาปอาุสนให้เกิดมีขึ้นในตน เช่นนี้สร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลก็ น, นำชีวิตนี้ไปอย่างราบรื่นไม่ได้ประสบความวิบัติขาดข้่องไม่ได้ประพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้พบแต่ความสุขความสบายใจเหมือนอย่างบุคคลนั่งอยู่ในเรือนิ่งๆไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวไปมา ทำให้เรือล่มลงกลางแม่น้ำเรือนั้นมันก็วิ่งไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อผู้ใดเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วออกจากจิตใจนียให้หมดไปสิ้นไปได้อันมันเหลือแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีแต่คุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจ เช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะความอดทนความภาคเปียนพยายามโมนี้คุณธรรมเหล่านี้ต้องให้มีอยู่ในใจเสมอหรือว่าฮิริโอ ต, ตประธรรมความละอายต่อความชั่วละอายในการที่จะทาความชั่วต่างท้งในที่รับตาคนก็ดีหรือในที่แจ้งต่อหน้าคนทั้งหลายก็ดี ก็ไม่ทำความชั่วในที่นั้นๆเพราะากลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่คุณธรรมสองอย่างนี้ก็จจำต้องมีอยู่ในใจเสมอเสมอถ้าผู้ใดทอดทุรลคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วรับรองไม่ได้เลยว่าผู้นั้นจะไม่ทำบาป <c oughs> พระอริยบุคคลหรือว่านักปรฏิทั้งหลายนั้นท่านย่อมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประจําใจเสมอไปเพราะฉะนั้นนักปรฏิทั้งหลายท่านจึงไม่ทําความชั่วท่านทําแต่ความดีคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วย ธรรมดานักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นนะวันนี้พวกเราก็พยายามฝึกตนเอาอย่างนักปราดทั้งหลายนั่นและเพราะคนในโลกไม่มีอยู่สองจำพวกคนพานจำพวกหนึ่งบัณฑิตนักปราดจำพวกหนึ่งอันนี้นะวันนี้ผู้มีปัญญามันก็เลือกคบกับนักปราดบัณฑิต ฝึกกายวาจาจิตของตนเอาอย่างท่านค<อ>ันาพูดถึงผู้เป็นมหาปรายิ่งใหญ่ก็หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละ เ, <อ>เป็นมหาปราอันประเสริฐในโลกนั่นเราพยายามฝึกตนตามอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างผู้เท่าเจ้าเต็มอากาก็ก็ไม่เป็นไรฮะว่าแต่ละความชั่วออกจากตัวให้หมดทำความดีให้เกิดขึ้นเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถของเรามีก็นับว่าได้เดินตามร่องรอยของศาทดาไปอยู่ เช่นทำสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเอาสมาธิยังสูงท่านก็นหมายเอาสมาบัตแปดนู่นรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่แหละเรียกว่าสมาธิยังสูงอนะ่ะก็เมื่อเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาบัตแปดอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิ ในขั้นตนนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้ได้นนสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นก็ให้ใจของเรามันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลนี่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพร a รัตน a ไกลนี่เอาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไปเลยเราใจของเราไม่ไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ไปนับถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง ยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกลยอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเหมือนกันนะยกว่าใจเรามันตั้งอยู่ในพระคุณอันประเสริฐใจมันตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในสินห้าสินแปดสิสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดตามเพศตามภูมิของตนนี่ใจมันตั้งมั่นอยู่ใน กายเพ่งกายเป็นอารมณ์อยู่ดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยไม่ไม่ปล่อยใจให้เพลินให้เมาออกไปนอกกายให้จนลืมเนื้อลืมตัวให้มันกรวดมันเพ่งพินานร่างกายนี้ให้รู้เสมอเสมอให้รู้ตามเป็นจริงเสมอไปอันโมนี้ก็รวมเรียกว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองเนี่ย ถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่ได้เลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้เข้าใจตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่คนเราทำอะไรนั่นมันก็ย่อมแตกต่างกันไปผู้มีกำลังมาก ทำการทำงานอะไรมันก็ได้แข็งแรงมากบึกบืนมากายกของหนักอย่างนี้นะคนมีกำลังน้อยยกไม่ได้คนมีกำลังมากอันนี้ยกได้มันต่างกันคนมีกำลังน้อยมันก็ยกของหนักตามกำลังของตัวนั่นแหละเท่าที่จะยกได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ฉันใดกขอย่างนั้นแหละ ท่านผู้มีภูมธรรมกวงขวางออบำเพ็ญกุศลอย่างกวงใหญ่ไพศาลมาท่านก็มีกำลังมากออนั่นแหละพูดถึงการเจริญสมาธิภาวน า, านท่านได้ฝึกเพ่งกสินชาญมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเพราะ เกิดมาในชาติสุดท้ายที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าเนั่ยนะพอได้ออกบทเจริญภาวนาไปไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเพราะเคยได้ทํามาแต่ก่อนจนชำชองเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วท่านก็จเจริญวิปัสสนาต่อมันก็ปัญญามันก็แหลมคมอย่างเลิศทีเดียวอ่ะ อาศัยสมาบัติแปดนั่นะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาเห็นอะไรก็ละเอียดแล้ว อ, อได้มากเพราะว่าคำว่าชาญนี่หมายความหมายถึงความเพ่งนั่นแหละใจของท่านแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้น ะ, ะท่านเพ่งดูอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นเลยตามเป็นจริง ของละเอียดเท่าใดทั้งก็เพ่งเห็นได้ออกิเลสนี่มันก็ละเอียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเราต้องอาศัยฌานวิปัสสนาญาณอันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแหละ เ, ออเป็นบาทททำให้รู้แจ้งในกิเลสอันละเอียดสุ ข, ขุมนั่นได้ออละกิเลสอันละเอียดได้ ไอ้ผู้ที่ได้เพียงขั้นสมาธิอุปจารสมาธิอย่างนี้นี่ก็เจริญปัญญาวิปัสสนาไปมันก็เห็นแจ้งในร่างกายสังขาร น, นี่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าไม่ละเอียดเท่านั้นเองแต่ถึงไม่ละเอียดถ้าหากว่า พิจารณาเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละมเมื่อมันเกิดนิพพิธาเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็คลายความรักความชังในรูปในนามนี้ออกจากใจได้เพราะว่าเมื่อมองเห็นรูปเห็นนามอันนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชา มันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเฉยๆอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรที่จะไปหลงรักหลงชังมันจะไปรักไปชังมันมันก็ก่ออยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นและมันก็ไม่ได้เลวลงเออแต่ที่ที่มันเลวแล้วก็คือจิตดวงนี้เองเนะเออไปหลงรักหลงชังในของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนอะไร อย่างนี้ก็ปัญญามันก็สอดส่องมองเห็นอย่างนี้ได้เช่นนี้แหละมันจึงไม่หลงรักหลงชังแบบนี้เมื่อก็ค่อยคายความยึดความถือออกไปโดยลำดับละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตอนอยู่ในขันห้าอันนี้ออกไปเสีย แล้วความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อมไม่ใช่ว่าพอเห็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเสียมันก็ลืมเลือนไปอีกแหละ เ, ออเมื่อไม่เอาใจใสอ่อย่างนั้นก็ต้องเอาใจใส่ต้องมันเพ่งมันพิจารณา มันกำหนดรู้ภายในใจอยู่เสมอว่าใจของตนเห็นเห็นไตรลักษณะญาณอยู่อย่างนี้เสมอไปหรือไม่อย่างนี้นะต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่งั้นนะไอ้เมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปไม่ให้มันเสื่อมอันนี้ญาณความรู้นนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับนี่ก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปมันถึงขั้นมันแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วอะ่ะแต่ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปยังไม่เข้าขั้นก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ถึงบรรลุยังไม่ได้ก็นะัว่าใกล้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราทำไปไม่ท้อถอยนะมันก็ใกล้เข้าไปแหละดังนั้นอย่าไปท้อไปถอยทำไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลถางป่าอย่างนี้แหละ ออ้อาวเราจะถางป่าป่านี่มีอยู่ไร่หนึ่งอย่นี้นะยาวยี่สิบว่าอย่างงี้นะว่ก็ถางไปเรื่อยๆอยู่ออแล้วก็ใจมันก็กําหนดแล้วว่าถ้าเราถางไปไม่ถอยนี่มันก็ต้องได้ยี่สิบว่าแน่นอนเลยอย่างงี้นะ เพราะว่าป่านี่มันมีความยาวความกว้างอยู่ยี่สิบปางนี้น ะ, ะรู้รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราก้มหน้าถางไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีจุดหมายอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปทําไร่สักผืนหนึ่งอย่างนี้มันก็ต้องกําหนดและเราจะเราจะทำสักกี่ไร่อย่างนี้นะอืก็ต้องปักเขตแดนลงไปแล้ววันนี้ก็ถางไปให้มันได้ตาม บริเวณที่กำหนดนั้นนะมันก็สำเร็จลงไปได้งานถางป่าอันนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่สำเร็จวันเดียวสองวันบนี้นะมันก็ต้องอาศัยเวลาเท่าที่มันจะสำเร็จลงได้กี่วันก็แล้วแต่การงานที่ลงมือทำไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ การบำเพ็ญเพียรทางใจนี่เมื่อเราจับหลักได้แล้วอย่างนี้เราพิจารณาไม่หนีหลักเดิมมันก็ค่อยก้าวไปทีละน้อยละน้อยไปแหละหมายความว่ามันก็ค่อยละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยไปทีเดียวเพราะว่ากําลังของเรามันไม่มากพอที่จะละกิเลสให้ขาดไป จ, จากสันดานทีเดียวได้นี่ เราก็อาศัยทำความเพียรอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับไปเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปเาใดมนก็ละกิเลสให้เบาออกไปเท่านั้นนี่มันมันเป็นอย่างนี้ออทีนี้เมื่อทำไป บุญบารมีไม่เต็มบริบูรณ์หมดอายุสังขารเสียก่อนม น, นีเ้เมื่อเกิดไปในชาติหน้าเอาไปได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนของตัธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปต่อจากนั้นไปอีกไม่มากมันก็เต็มลงได้แบบ น, นี้นะ อ, อินทร์บารมีเนะี่ยมันก็เต็มลงได้ เรกว่ก็หลุดพ้นไปวันนี้เรียกว่าบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างพระสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วก็มีประวัติเป็นมาในพุทธศาสนานี่แหละบางท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็สำเร็จไปได้บางท่านก็ต้องภาคเพียรพยายามไปจนว่าใกล้จะหมดอายุสังขาร น, นจึงสำเร็จลงไปก็ได้ บางท่านก็บำเพ็ญเพียรไปจนถึงวาระสุดท้าย่งชีวิตนั้นจึงหลุดพ้นไปได้ก็มีอย่างนี้นะ เ, เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้มันถูกต้องอันคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันมีในดังกล่าวมานี่แหละไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้แล้วผูใ้ใด รู้เหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นจะไม่ถอยหลังเลยจกไม่ถอยหลังแล้วก็จะไมะ่กระโดดโลดเต้นเอาเร่งทำความเพียรลงไปเอาเป็นเอาตายเข้าไปหวังว่าจะให้หลุดให้พ้นไปเร็วๆคราวนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ท้อใจฮะ อันอันผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ทําแบบนั้นนะอันนะท่านรู้ท่านรู้เรื่องของตัวเองอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้ว่าตนเองนี่อินรีย์ยังไม่แก่รอบจะทํายังไงยังไงมันก็หลุดไปยังไม่ได้เราต้องอบรมอินทรีให้มันแก่กล้าขึ้นไปสัตทินทรียอินทรีย์คือความเชื่อก็ให้มันกล้าขึ้นมั่นคงไปวิริอินทซีความเพียรก็ให้มัน ติดต่อกันไปอย่าให้มันขาดสายอ้าวทำอย่างไรล่ะทำความเพียนให้ติดต่อกันไปก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำกายประจำใจี้ทุกเวลานาทียืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจะทำการงานอะไรก็ไม่อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะ ทำความรู้ตัวอยู่ว่าตนทำอะไรพูดอะไรแล้วแล้วก็รู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้ตามที่ได้พิจารณาเห็นมาอย่างไรก็รู้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่ามีความเพียรเพ่งพินิจติด ต, ต่อกันไปไม่ใช่ว่าเราจะไป ทำความเพียรเอาแต่เวลาไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นก็จึงจะทำความเพียรชื่อว่าตนได้ทำความเพียรถ้าหากว่าออกจากนั้นไปแล้วละเมินเฉยเสียไม่กำหนดรู้สิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาไม่กลวดกล้า อย่างนี้แล้วก็ความรู้ความเห็นน่ก็ค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปฮะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้พากันเข้าใจอย่างนั้นถึงแม้เราออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วก็ตามเราก็ระมัดระวังจิตใจในอยู่งั้นแหละเพ่งดูร่างกายสังขารในอยู่นั้นให้เห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นเคลื่อนข้าดไปจากความเป็นจริง ของไม่สวยไม่งามก็อย่าให้เห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปของมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นสุขสบายไปนี่ของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นเอ๊ บุคคลมาพิจารณาไตรลักษณ์นายนตรงนี้แหละมักจะเกิดวิปรัชต์ต้องรู้ไว้พอไปเพ่งดูอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของตนแล้ววันนี้เอ๊ะถ้าเช่นนั้นอะไรก็ไม่ใช่ของตนอย่างนี้นะบุญบาปก็ไม่ใช่ของตนสิทำบาปก็จะได้บาปมาเทไนล่ะทำบุญจะได้บุญมาเทไนเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของตนนี่ ความเห็นอย่างนี้มันสักจะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ อ, อ, อาการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนันนะมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลย เ, เป็นอย่างนั้น <c oughs> อันเหตุเบื้องต้นนั้นเรากำหนดรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันหลงมันหลงรูปโลงนามอันนี้อยู่อย่างนี้นะมันถึงได้เป็นทุกข์มันถึงได้ถูกตัญหาครอบงมจิตอันนี้ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้นี่เนี่ถ้าบุคคล ได้ไปตกเป็นธาตุแห่งตัญหาอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้าง้วบ้า น, นี้น ะ, นะกรรมดีกรรมชั่วนั่นในบ น, นี้มันก็เป็นชนะ ก, ะกรรมนำดวงกิจที่ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วจะไม่มีผลตอบสนอง ไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, ะก็เหมือนอย่างในปัจจุบันนี่นะเราเห็นกันได้บุคคลทำกรามชั่วเช่นล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปช่อไปปล้นไปขี้เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้อย่างนี้เอาไปฟ้องร้องก็ต้องติดคุกติดตารางไปนี่นะผลแห่งความชั่ว มันก็เห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้นี่เด้อจะว่าทําบาปไม่ได้บาปอย่างไรเล่าเ น, นี่ย <c oughs> ชิงอยู่ทำบาปบางอย่างเนี่ยมันไม่ขัดต่ อ, อ ก, กฎหมายมีอยู่เช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนนี้นะถ้าว่าไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าของห่วงแหนอยู่อย่างนี้ถ้ากฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษอย่างนี้แหละ แต่ทางศีลธรรมแล้วมีโทษสัตว์นั่นจะมีเจ้าของห่วงแหนก็ตามไม่มีก็ช่างขึ้นชื่อว่าสัตว์มีชีวิตแล้วจะเป็นตัวน้อยก็ตามตัวใหญ่ก็ช่างบุคคลใดแกล้งเจตนาฆ่าให้ตายแล้วก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้มันแยกทางกันตรงนี้กฎหมายบ้านเมืองกับศีลธรรมนะให้เข้าใจ <c oughs> ดังนั้นจะว่าทําบาปไม่ได้บาปยังไงเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าบาปบางอย่างนั้นนะบุคคลทําลงไปแล้วมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนเช่น อ, อย่างที่ว่ามาแล้วนะเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาไม่มีเจ้าของห่วงแหนอะไรเลยอย่างนี้ฆ่าแล้วกดแล้วไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รับผลตอบแทนปัจจุบันอะไรฮนะก็เรื่อยๆไปอย่างนั้นนะอืะ แต่มันไม่ใช่ว่ามันมันหายไปนะบาปกรรมอันนั้นนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่งั้นเลยเพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้น น, นนะเออมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมาติดตามไปเออเป็นอย่างนั้นนี่พระ อ, องค์เจ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได้ ทรงแสดงเป็นพระบาลีว่าอย่างนั้นนะแต่คนบางคนบางพวกไม่ไม่ใส่ใจเลยไม่เอาไปคิดไปตรองนะอะเหตุนั้นมันถึงได้ไม่เชื่อจึงได้ทำบาปไปเรื่อยๆืย <c oughs> เห็นว่าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรเลยก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบาปอันความรู้อย่างนี้นี่มัน มันเป็นความรู้ตื้นๆความรู้ธรรมดาธรรมดาของโลกมันไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในถึงดวงกิจดวงใจถ้าไปเพ่งดูภายในแล้วเพ่งดูตัวเองตัวเอ ง, เองนี่ก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลย ตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะกลัวเจ็บปวดชัออ้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกันนะออถ้ามีใครไปเบียดเบียนเนี่ยเขาก็กลัววิ่งพ่ายหนีมิฉะนั้นก็ต่อสู้เอาจนตายแล้วแล้วไป อ, อ, อย่างนี้แหละแสดงว่ามันหวงแหนชีวิต ของใครของเราเหมือนกันหมดเลยในโลกอันนี้ hmm. ดังนั้นเมื่อเมื่อผูใ้ใดไปทําบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเ hmm. ช่นนี้ไอการกระทาเช่นนั้นอนะ่ะมันจะไม่มีผลตอบสนองในภายหลังนะไม่มีต่างแต่ว่าอาศัยการเวลาเท่านั้นเองนะ hmm. เมื่อไม่ถึงการเวลาที่มันให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ไดก่อนก็เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอยู่เหมือนกันเลย ก็ในเมื่อบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทํามาแต่ก่อนมันมันยังให้ผลอยู่มันยังรักษาชีวิตของผู้นั้นอยู่อย่างเนี้ยถึงผู้นั้นอยากทํากรรมชั่วในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องต่อเมื่อกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทํามาแต่ก่อนมันมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้มันหมดลงเวลาใด กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เวลานั้นเลยเออมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตำรานะพระพุเทธเจ้ายังได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เช่นบุคคลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาตินี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย้อนไปสู่อาบายภูมิท้งสี่มีนรกเป็นต้น อันนี้มีอยู่ในตำราเกือบทุกฉบับไปเลยในในทางพะสูจน์นะนี่แหละลองพิสูตรดูพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ตามคำสอนที่ทรงแสดงมานี่นะก็แสดงว่าบุคคลฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะ ม, มันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละ มันคอยสะกดรอยไปอยู่ยงั้นเพราะว่ากรรมเก่านั้นหมดลงกับบางทีมันก็หมดชีวิตไปเหมือนกันนะก็ตาย น, ะนั่นแหละเพราะกรรมเก่านั้นหมดลงแล้วกรรมใหม่ที่ทำนี่มันก็ให้ผลสืบต่อถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดคร่าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมานั้นถ้าเป็นกรรมดีมันก็นำไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ ถ้าเป็นกรรมดีอย่างประเสริฐที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศสนออมันก็นําให้ไปเกิดสวรรค์บ้างนําให้ไปเกิดพรหมโลกบ้างนําให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน เ, ออเช่นพระโสดาบันอย่างนี้ก็นําให้ไปเกิดสวรรค์พระสกิทาคามีก็เหมือนกันไปเกิดสวรรค์พระอนาคามีก็นําให้ไปเกิดใน สุธาวารพรหมโลกเป็นอย่างนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดวยประการทาั้งปวงเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปสวรรคยความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดนิรันดรเป็นอย่างนั้น ก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ได้ความอย่างนี้แหละก็ะสุดแล้วแต่ผู้ฟังนั่นจะเอาไปพิจารณาตรีตรองดูถ้าเห็นตามก็ จะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็จึงขอจบลงเพียงเท่านี้